ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน วันนี้รายการธรรมะสุสันติก็มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมอีกเช่นเคยเป็นประจำในช่วงนี้อยู่ในช่วงระหว่างใกล้เทศกาลสงกรานที่จะมาถึงในปีนี้ธรรมะในช่วงเทศกาลสงกรานในวันนี้ทางรายการจะได้นานำโอวาทของ พระเดชพระคุณเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสเกตรา ช, ชวรมหาวิหารกรุงเทพกรรมการมหาเถระสมาคมและเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกมานำเสนอสู่ท่านสาธุชนในเรื่องการดำเนินชีวิตในวันสงกรานต์สารธรรม และประเพณีที่ดีนาะที่ดีงามของชาวไทยมาบวกกับสารธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นถ้าเรารู้จักนํามาใช้ก็จะกลมกลืนกันไปเป็นขนธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและเป็นหลักในการดําเนินชีวิตของเราให้ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขเช่นการอ่อนน้อมถ่อมตน การคารวะผู้ใหญ่การทำความเคารพสักการะผู้ที่สูงวัยกว่าตนในเทศกาลสงการานต์ก็มีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่และรับพรจากท่านเหล่านั้นเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลนั่นคือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามผสมผสานกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา กลายมาเป็นวิถีทางของชาวพุทธในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมจึงขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านมาตั้งใจรับฟังโอวาทจากเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ในเรื่องการดำเนินชีวิตในวันสงการมาติดตามรับฟังพร้อมกันณ บ, บัดนี้ คนในบ้านเมืองของเราถือเป็นประเพณีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่อย่างนี้ก็ได้น้อมเข้ามาให้เข้ากับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยให้ระลึกถึงบรรพบุรุษ มาจนกระทั่งถึงท่านผู้เป็นมารดาท่านผู้เป็นบิดามีชีวิตอยู่ก็ตามล่วงรับไปแล้วก็ตามแลให้ระลึกถึงบรุรพาจารย์คือครูบาอาจารย์จะเป็นฝ่ายครือขัดก็ตามเป็นฝ่ายบรรพชิตก็ตาม ท่านที่บนเป็นบุรพาจารย์เหล่านั้นเป็นผู้มีประคุณก็ให้ระลึกถึงเช่นเดียวกันนอกจากจะระลึกถึงแล้วยังมีประเทนีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างอื่นอื่นอีกเช่นการ รดน้าการส่งน้ำรดน้ำนั้นใช่สําหรับท่านที่เป็นครวาต์เป็นครือัสที่เป็นผู้ใหญ่ส่งน้ำนั้นใช่สําหรับประสงค์เมื่อสงกรานต์มาถึงเข้าเราจึงมีการส่งน้ำและรดน้ำ ทั้งฝ่ายประสงค์ทั้งฝ่ายท่านผู้ที่สูงอายุเป็นมารดาบิดาเป็นต้นประเพณีอย่างนี้มาเรื่องกับคำสอนในทางาศาสนาซึ่งท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้เองว่าได้แก่การบูชา ท่านผู้ควรบูชาเคารพท่านผู้ควรเคารพเป็นต้นนั่นเองจึงเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งถ้าหากว่าได้ทำด้วยความเข้าใจตัดสิ่งอื่นออกไปเสียแล้วทำด้วยความ เข้าใจพอใจที่จะทำทำด้วยความมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องก็จะเกิดเป็นสิริมิ่งขวัญมงคลความดีความงามนานาประการซึ่งท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่เป็นส่วนใหญ่แล้ว ไม่จำเป็นจะต้องกล่าวความเรื่องนี้ให้กว้างออกไปแต่ใครที่จะขอโอกาสกล่าวกับท่านทั้งหลายผู้มีโชคดีที่ได้มาอยู่ในถ้ำกลางที่อันเป็นสิริมงคลซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดบุญกุศลเพิ่มมากขึ้น ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่างานสงกรานในปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนรูปไปหลายระ ย, ย่างเป็นการประกวดประขันชันโรงกันก็มีเป็นการกระทําอย่างอื่นๆที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจแจ้กล่าวได้ว่าไม่สอดคล้องกับหลักคําสอนในทางศาสนาก็ย่อมได้ มุ่งความสนุกสนานกันเป็นที่ตั้งที่กล่าวนี้ไม่ได้มุ่งหมายที่จะให้ท่านทั้งหลายตำหนิรังเกียจให้เกิดเป็นมลทินขึ้นมาในใจแต่กล่าวเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มีความดีใจว่าท่านทั้งหลายได้มาอยู่ในท้ำกลางสิ่งที่ ดีงามอยู่ในสถานที่บริเวณที่จะให้เกิดบุญเกิดสุสนอย่างเดียวและเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในการที่จะปรีกตนให้พ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมาอยู่ในสิ่งที่ดีที่งามซึ่งถ้าไม่พูด ความบันเทิงใจในอีกแบบหนึ่งอาจจะบังให้ท่านทั้งหลายมองไม่เห็นก็ได้หรือคนอื่นที่เขามองไม่เห็นอยู่เขาก็เห็นเป็นเรื่องดีเราก็จะได้ตั้งการุณาซึ่งเป็นเมตตาซึ่งเป็นการุณาพรหมวิหารธรรม เป็นกรรมฐานข้อหนึ่งที่มีความกรุณาเห็นใจพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็นแล้วกันว่านึกเอ็นดูสงสารที่เขาเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับสิงสาราศัตว์บางชนิด แม่แต่มดแมงเมาบินเข้าไปสู่ความร้อนเพื่อที่จะตายแต่ก็บินด้วยความสนุกสนานไม่รู้ตัวเราน่าสงสารน่าจะตั้งใจสงสารเขาน่าอินดูเขาเลอะเกินเขาหน้าอินดูเลอะเกิน น่าสงสารเหลือเกินที่เป็นอย่างนั้นเราปรีกมาได้เป็นโชคเป็นบุญเป็นกุศลของเราจริงๆมองให้เห็นอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายจะดีใจมากขึ้นเริ่มใจมากขึ้นว่าเรามาอยู่ในทางที่ถูก ในโลกก็มีอยู่สองอย่างคือดีกับเสียท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วทั้งนั้นแต่ถ้ามีอะไรมาบังแล้วเราก็เห็นเสียนั่นแหละ ว, ว่าเป็นดีซึ่งพระพุทธเจา้าทรงเน้นมากอย่างที่ทรงสอนไว้ว่ามีความเห็น ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแล้วว่าเป็นสาระมีแก่นมีสารก็จะยึดถือผิดเรื่อยไปเข้าใจไปว่าสิ่งที่ไม่เป็นสาระนั่นแหละเป็นสาระไม่ต้องไปดูที่คนอื่นบางทีก็ต้องมาดูที่ตัวเราก็ได้ มาดูที่ใจของเราเองก็ได้เวลาที่ใจของเราเองหมุนมาในทางที่ดีแล้วเราก็จะรู้สึกทีเดียวว่าเออนี่ความคิดความอ่านของเรามาในทางเป็นกุศลฮะเป็นสมมาทิฏฐิพอหมุนไปทางผิดแม้แต่แวบเดียวถ้าเราจับได้หลยทันเราก็จะนึกขึ้นมาว่า โอ้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้น่ากลัวน่าหวาดเสียวแต่ถ้ามองไม่เห็นแล้วก็จะเห็นกลับเป็นดีไปหมดนั่งรถลงเรือเพื่อไปสนุกสนานในงานสงกรานในที่ต่างๆปีปีหนึ่งไม่ใช่น้อย เขาก็เห็นว่านั่นคือสิ่งที่ดีแล้วเขามองไม่เห็นเราเห็นกันทีเดียวว่านั่นคือสิ่งที่ไม่เป็นสาระแต่เขามองไม่เห็นหน่าสงสารน่ากรุณาเขาเสียจริงๆท่านทั้งหลายมีโชคแล้วมาอยู่ในบริเวณสถานที่ ที่จะทำให้เกิดบุญเป็นกประเกิดกุศลดังกล่าวมาข้างต้นท่านทั้งหลายได้มาฝึกอบรมพระกรรมฐานที่นี่บางท่านก็มานานแล้วบางท่านก็อาจจะใหม่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเวลานี้ ทางฝ่ายท่านผู้ดำเนินการคืออาจารย์เสริมชัยที่ท่านทั้งหลายรู้จักดีอยู่แล้วได้เสียสลัดสลัดคารวาสวิสัยออกมาอยู่ในฝ่ายของบรรพชิต ตั้งจิตที่จะบำเพ็ญกุศลสร้างบารมีให้สูงยิ่งขึ้นไปทั้งในส่วนตนทั้งในส่วนที่จะอำนวยประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายในการอภิสมบทนั้นจะเป็คุณสมเด็จพระพุทธโคสจารยา์ผู้เป็นพระประชาได้ให้ชื่อ ที่เรียกเป็นคำทางทางวัดทางพระว่าฉายาเป็นภาษาบาลีว่าชยมังคโลถ้าจะเรียกแบบไทยรวมกับบาลีก็เรียกว่าพระชยมังคโลคืออาจารย์เสริมชัยเดิมนั่นเองท่านชยมังคโล เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วและได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านทั้งหลายเหมือนในเวลาที่ยังเป็นครืหัดอยู่แต่ว่าใกล้ชิดในลักษณะบรรพชิตที่จะอำนวยประโยชน์แก่บรรดาท่าน สาธุชนผู้สนใจข้อนี้เป็นเรื่องดีควรแกการอนโมทนาแม่ท่านทั้งหลายจะทราบกันอยู่ดีแล้วแต่ตมาก็จะต้องขอโอกาสกล่าวไว้เป็นการกล่าวรวมๆในโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งงานของ โครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนั้นอาตมามีส่วนร่วมมาแต่ต้นและได้กล่าวมาแล้วหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งท่านผูกฟังอาจจะเกิดความรู้สึกเบื่อนหน่ายก็ได้แต่ขอให้ได้โปรดทราบเถิดว่า อาตมากล่าวด้วยจิตใจบริสุทธิ์มุ่งที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบความเป็นจริงคือสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนั้นปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้พระพุทธศาสนาอำนวยประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเป็นสำคัญจะมาก จะน้อยก็ตามเถอะท่านจะมากันมากคนหรือน้อยคนก็ตามที่มาแล้วขอให้ได้ประโยชน์ขอให้ได้รับผลจากการมาผลนั่นก็คือผลในทางธรรมคือการปฏิบัติในทางกิจใจให้ท่านทั้งหลายได้ สัมผัสพระพุทธศาสนาด้วยจิตใจที่ลุ่มลึกซึ่งหมายถึงสมาธินั่นเองอย่าให้สัมผัส ด, ด้วยพระพุทธศาสนาแต่ส่วนภายนอกอย่างเดียวการให้ทานการรักษาศีลสำคัญหรือไม่ สำคัญที่สถาบันนี้ถือเป็นหลักสำคัญหลักหนึ่งเหมือนกันจึงให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสถวายสังฆทานแก่พระสงค์และทุกครั้งจะต้องมีการสมาทานศีลเห็นความสำคัญในเรื่องทานเรื่องศีลในขณะเดียวกันก็ ต้องการจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นความสําคัญของภาวนาซึ่งขาดอยู่ภาวนานั้นเป็นเรื่องที่จะสัมผัสได้ด้วยจิตอย่างเดียวคือสมาธิเกิดไม่ได้โดยวิธีอื่นเกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวสามารถที่จะประมวลจิตให้หยุดอยู่ในที่เดียวในจุดที่ต้องการ เริ่มต้นตั้งแต่อย่างนั้นไปนั่นคือสมาธิและนั่นแหละเป็นจุดที่ต้องการมากที่สุดจะมากจะน้อยคนก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญฝ่ายวกอตมาที่ทํางานร่วมกันฝ่ายพระนั้นถือความสำคัญอยู่อย่างเดียวก็คือการที่ท่านทั้งหลายจะ ท่านทั้งหลายที่มาแล้วจะได้สัมผัสกับพระพุทธศาสนาที่เป็นส่วนลึกซึ้งไม่มุ่งหมายที่จะให้เพียงมาพักผ่อนเพียงมาเห็นว่ารื่นรมเห็นว่าสบายอย่างเดียวแต่ต้องการที่จะให้เข้าถึงจุดนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความมั่นใจว่าสถาบันนี้ไม่ต้องการสิ่งอื่นใดเกินไปกว่าสิ่งที่กล่าวมานี้แล้วท่านจะมากันมากกันน้อยก็ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่กล่าวมาแล้วและไม่ได้หวังสิ่งอื่นใดอีกซึ่งอาตมาก็กล่าวมาหลายครั้งหลายหนแล้ว จะเป็นท่านชยมังคโลก็ดีคืออาจารย์เสริมชัยก็ดีท่านอาจารย์ที่เป็นฝ่ายพระอื่ น, นๆรูปอื่นก็ดีไม่ต้องการอะไรอาตมามีความชื่นใจกับคาคูดพูดของพระเถระองค์หนึ่งเมื่อวันปิดการฝึกอบรมที่วัดไผ่เขียวท่านพูดว่า พระศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะธรรมวินยัยคือการปฏิบัติเข้าถึงธรรมเข้าถึงวินยัยไม่ใช่อยู่ได้โดยสิ่งอื่นท่านพูดแล้วอาตอมารู้สึกดีใจเหลือเกินที่ได้ยินได้ฟังคำอย่างนั้น คือกรงกับใจมากคนทั้งหลายนั่นบางทีก็มองสิ่งข้างนอกว่าเป็นสิ่งที่จะทำโรงพระาศาสนาและไปติดอยู่ที่สิ่งข้างนอกนั่นแหละจะเป็นอะไรก็ตามที่โลกเขานิยมกันว่าดีข้างนอกนั่นไม่ใช่ส่วนที่จะทำารงพระาศาสนา สิ่งที่จะทาโรงพระศาสนาก็คือการที่เราได้ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมถึงวินัยนั่นเองนั่นเป็นเรื่องสำคัญมากวันนี้เป็นวันสงกราน่านมาแล้วได้ปฏิบัติธรรมก็พยายามให้ถึงธรรมยังมีเวลาที่ท่านจะได้ปฏิบัติกันตอนภาคบ่ายอีก แต่ในช่วงนี้ท่าน ช, ชยมังคโลพร้อมโดยคณะประสงค์ที่จะให้มีการสงฆ์น้ำอารัธนาพร้อมโดยพระเถระในวัดอารัธนาไว้สามรูปเป็นตัวแทนของทางวัดเกื้อเตมาท่านยมคุลเทพสุธีและท่านยมคุลเมธีสุทธิพงศ์แต่ว่าท่านยมคุลเทพสุธีมีภาระ อาตมาทั้งสองรูปนี้จึงเป็นตัวแทนของทางวัดมารับน้ำสงในเทศการสงการจากท่านทั้งหลายโดยความตั้งใจดีของท่านชยมังคโลและคณะพระวิทยากรทุกรูปเรื่องการสงน้ำและเรื่องอื่นๆ น, นั่นก็จะไม่ขอพูดแล้วเพราะว่าท่านทราบกันอยู่ดี และสมควรแก่เวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้สงน้าพร้อมกับจะได้ปฏิบัติธรรมต่อไปด้วยที่สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นเป็นธรรมบัญญายและโอวาทของประเดศพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรวิหารกรรมการมหาเถระสมาคมและเจ้าคณะใหญ่ ผลตะวันออกได้บรรยายธรรมให้โอวาสแก่พระภิกษุสามเณรสาธุชนญาจโจมอุบาสกอุบาสิกาในเรื่องการดำเนินชีวิตในวันสงกรานต์ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาอธิบายและและได้ยกขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ของชาวไทยว่าจริงๆแล้วก็ได้มาจากหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั่นเองซึ่งกลมกลืนกันจนเป็นวัฒนธรรมเป็นอาระยะธรรมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตหลักธรรมต่างๆเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยหรือวันสงกรานต์ของทุกปีที่จะเวียนมาถึงในระหว่าง วันที่13เมษายนของทุกปีซึ่งเรื่องวัฒนธรรมหรือการประพฤติปฏิบัติตนในวันสงกรานต์นี้อย่างเช่นในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมที่ดีงามนั้นถูกมองข้ามและได้ทมหรือปฏิบัติตนตามอำเภอใจซะเป็นส่วนมาก เช่นการเล่นน้ำการสาดน้ำเข้าใส่กันในปัจจุบันนี้เล่นกันหนักๆแรงๆจนบางทีก่อให้เกิดเหตุทำให้มีการได้รับการบาดเก็บเป็นต้นเหล่านั้นเนื่องจากเราไม่รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามดังที่ บุรพชนต้นตระกูลของเราได้ประพฤติปฏิบัติมาให้เป็นแบบอย่างด้วยอาศัยความเห็นแก่ตัวบ้างอาศัยความรักสนุกความสะใจต่างๆในการกระทําลงไปบ้างจนก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆตามมาทั้งภาพพจน์ที่ไม่ดีก็ถูกมองและเผยแพร่ไปตามสื่อต่างๆบางทีก็ แพ่ภาพออกไปยังต่างประเทศเขาก็จะได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ไม่ดีไม่งามของการประพฤติปฏิบัติในเทศกาลสงกรานของเราแต่หลักธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จได้แนะนำได้อธิบายให้ฟังนั้นคือให้เราได้สำนึกสำเนียกในการรักษาอารยธรรม วัฒนธรรมที่ดีงามของเราไว้เช่นการส่งน้ำพระสงฆ์การรดน้ำแขกผู้ใหญ่ผู้ที่เคารพนับถือเหล่านี้แหละเป็นขนธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวไทยของชาวพุทธซึ่งเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จก็ได้อธิบายให้สาธุชนได้เข้าใจถึงหลักการปฏิบัติเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่ จะเวียนมาถึงในไม่กี่วันข้างหน้านี้สําหรับวันนี้อาตมาก็นําสารธรรมจากโอวาทของเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จมาฝากท่านผู้ฟังและเวลาของทางรายการธรรมะสู่สันติก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก่อนจากกันวันนี้ขอท่านผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจาก ทุกโศกโรคภัยเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของทางสถานีทุกท่านที่ได้ให้โอกาสแก่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามทําหน้าที่เป็นสื่อกลางที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ท่านสาธุชนขอได้ ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากความทุกโศกโรคภัยทุกท่านทุกคนเทรินเจริญพร